อัลลอฮฺอ ل ลฮั م ดุลิลลาฮฺ ه ะฮฺมดุหฺวะนะสตางหฺหฺวะนะสตักฟิรฺหฺวะนะอุบิลลาหฺวะมินชุรุริอัมฟุซินาวะมินไซยัติอัมมัลินาไม่ยัฮฺดิลลาหฺฟะลามุดลลละหฺวะมันยุดลิลฟะลาฮฺฮั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 وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم اني أعوذ بك من الكسل وسوء الك ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سماي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده ع د ا د خلقه ورب نفسه ว่าเจน่าต่ออาร์เซห์และมิดเดิ้ลคำพูดของเขาจะพยายามไปรับมือกับอัลตักริทอัล صلاح ลิฉะนิคุณล่ะหัวและตีลิ่นีอีลาเนฟซีต่อฟ้าตาอินพัสดีอัลลอฮ์และ نعم อัลวาติล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في น้องที่ร่วมนมัสยิดในมัสยิดอันวาิสุนนะที่รังายน้องที่ติดตาม รายการสวรรค์ในบ้านนะครับผ่าน Facebook สวรรค์ในบ้านและก็ผ่านนิว GM เอทีวที่รับทั้งหลายกับประคเดลิลั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮุ سبحانه ะทุกอิริยาบถเพราะว่าความอัลลอฮฺเนี่ยทานให้กับบ่าวของอัลลอฮทุกคนให้ใครมีอำนาจ ลดอำนาจใครให้ใครรวยให้ใครจนให้ใครเจ็บไข้ใดป่วยให้ใครสุขภาพแข็งแรงแต่งงานมีลูกไม่มีลูกทั้งหมดนั่นอยู่ในการดูแลของอวโลทั้งหมดทีนี้หลายคนเนี่ยลืมถ้าลืมอวโลเนี่ยเท่ากับลืมตัวเองตีมามัน ตอนสอกเมื่อกี้เนี่ยใครที่ลืมอเลาะเนี่ยเท่ากับลืมตัวเองฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ลืมอเลาะถ้าจะไม่ให้ลืมตัวเองให้นึกถึงอเลาะเยอะๆเพราในคุรานนะกุรานเตือนเลยนะใครที่ลืมอเลาะเท่ากับลืมตัวเองเราต้องนึกถึงอเลาะตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนบ้าครับ ยิ่งนึกถึงอัลลอฮ์มากเท่าไรเนี่ยจะทำให้หัวสมองเราดีโรคอัลไซเมอร์ก็จะไม่มานี่พิสูจน์แล้วนะฉะนั้นคนที่รักษานนมาน5เวลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้10 10อย่างคนที่รักษารนมาเนี่ย5เวลารวมมาถึงนมาดุฮานมาตะฮัดจุน นมาสุนงสูนัดทั้งหมดในพยายามรักษานเนี่ยราเลอาให้สิบอย่างข้อที่หนึ่งใบหน้าของเขาจะสวยงามบนดุนยานี่อาจจะไม่สวยแต่ที่แน่ๆในโลกอาคือโรกสบายใจครับข้อที่สองหัวใจของเขามีรมัศมีหัวใจบอกกับหัวใจมีรัศมีต่างกันะ งคนเป็นคนที่สะอาหัวใจของเขามีรสศมีสังเกตง่ายๆหัวใจมีรสศมีนี่เขาไม่ขี้เหนียวแล้วก็ใจจับกว้างหัวใจมีรสหมีใจกว้างไม่ใช่ใจแคบเขต้องนึกนะข้อที่สามรอฮะดุลบาดันร่างกายได้รับการาพักผ่อนเพราะนมาต์แต่ละครั้งเนนบีพูดเอง บิลานอาจานเถอะพอเข้าเสือนมานในฉันเป็นการทักถรนไปในตัวเลยใจอยู่กับล้อน่นไม่ผูกกับดุนยาเลยทิ้มดุนยาเลยใจมุ่งกับลอนตรงๆสงบร่างกายแข็งแรงท่านคนนามาเนี่ยต้องนามาเพื่ อ, อล้อจริงๆนะร่างกายของเขาเนี่ยจะได้รับการพักถรนข้อที่สี มีเพื่อนเวลาตายมีเพื่อนอยู่ในกุโบนี่เป็นความรู้ทั้งหมดหคนที่นมาธิห้าเวลาสมาธกลางคืนสมาตะฮัจยุนมาธิาตาเ น, น, าวน่ว่าถานอนอยู่ในกุโบมีเพื่อนนะครับข้อที่ห้าความเมตตาจะถูกประทานลงมาให้แก่เขาขณะอยู่บนดุนยานี่ยละมาร์ถูกประทานลงมาโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวอีกเรื่องหนึ่ง พเพราะงานมาอ่านมาแล้วจะ่มามาอาทิตฐาแล้วเนี่ยอิน ล, ละดีนก่าลูอัลลอฮฺสุบ ม, มัสตักอมูแท้จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอเป็นรอบของเราแล้วก็ยืนหยัดนี่แหละก็ยืนหยัดปั๊บนี่แหละและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าอัลลอเป็นรอบแต่ไม่ยืนหยัดมีไหมมีครับที่มีการสอนกันเนี่ยพอสอนให้ยืนหยัด นิสัยของคนเนี่ยมันลืมอะไรง่ายใช่หรือไม่ใช่เจอเงินหน่อยลืมเจอชื่อเสียงหน่อยลืมเจอตำแหน่งมอบให้ตำแหน่งจุลาอย่างเงี้ยโอโ้โหาคนถึงกับบ้าเพื่อนจิกจ้อยอ่ะเอาอิสลามนำหน้านี่อิสลามนำหน้าโอ้กว่าอินละลองงานที่ประเสริฐที่สุดน่ามองข้ามตรงนั้นนะแต่นะอย่ามีเป็นตําตำแหน่งคู่ว่าโอโ้โห อันนี้แตะเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อย ๆ, ๆข้อที่หกมิฟตาหุสมะคนที่ละหมาดห้าเวลาเนี่ยประตูชั้นฟ้าเนี่ยจะถูกเปิดหลังตายนะทั้งคนหลายคนนะครับวิญญาณมันจะขึ้นข้างบนเยอะนะนี่นบีท่านนบีไม่เล่าไม่รู้นี่เล่าให้ฟังวิญญาณหลายคนขึ้นข้างบนไม่ได้อะ ฉะนั้นวิญญาณต้องขึ้นข้างบนได้นะครับข้อที่เจน้ำหนักที่ตาช่างนี่ในวันเกียรมากหมดเลยนะาะทมีการช่างตาช่างเนี่ยเอานมามาช่างเนี่ยคต ร, รี่หนามาสะอาดรักษานามาทาเวลาแบบคุช่วยเนี่ยนะไม่มีอะไรจะมีน้ำหนักเท่ากับการนมาข้อที่ข้อที่ป มารบอตัวรอบดิความพึงพอใจของพระผู้อภิบาลก็จะประทานให้กับคนที่ติดนมานอยู่ข้อที่เก้านะครับสามัญันนะถือตัวสวรรค์อ๋อคนที่นมานถ้าเวลานี่นะถือตัวนะอยู่ในมือเข้าสวรรค์ได้เลยถ้าไม่มีน้ำมานไปหรือว่านมานบ้างหยุดบ้างนะอย่าไปหวังเลยว่าจะถือตั๋วสวรรค์ไม่มีทางครับ เนี่ยสุนทนนบีทั้งหมดข้อสุดท้ายนะครับบกม้องจากไฟนรกขยาบุมมินานานาในจะฮะดิษทั้งหมดเนะี่ยผมก็อ่านแล้วก็จทยไว้โจทย์ไว้โจทยไว้จทย์ไว้จดย ไ, ไ, ไ, ไ, ไว้สบมิตสอบสิบข้อด้วยกันนะไปนั่งเลือกๆดูสิแล้วเอาไปสอนคนต่อจะทมดูแลิแล้ววันนี้มาอายาที่ายาที่ทรายเนี่ยครับ 37มสเุราณที่มาเ่อที่มันก็แตกต่างกันอายันึงนะามิกมี37มีนะเอามนี้มาถึงสุโรฮามินซัจดาหรือฟุสลัดสุรที่สี่4ิอนะอายัที่37มิว่มินอายัดิลลัยลวันนฮะวะชัมสุวะลงกอมร لا ت ัศจุ ا ุลิชัม ل ا ل ะ ل َล و ลกามรวัสดจ ل ดุล ه ลลาฮิล ن ัติฮะลาควะฮุนอินคุนตุมียาห์ทั่งมดุนวะมินอายาติหิลเ ا ل ن อ วะชัมส์วะลกามรลาตัสจ ل ดุลิชัมส์วะลาลิลกามร ل สจุดุล ل ลลาห์ัลลัติัลละกห์อุนั م คุนตุมอิยาห์ัลละบพูดถึงความ สามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยมีอัลลอฮ์เคยสรายการนะอัไรอะไรนะกลางคืนน้าฮาร์กลางวันอัชชัมส์ดวงอาทิตย์อัลกอมาร์ดวงจันทร์สีนี้เป็นสัญญาณ มินอาญาดี i. เป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณจากสัญญาณทั้งหลายของอวบเตือนนบีม่านแล้วก็ให้นบีให้เราอ่านตัวนี้คนอ่านอุราห์ก็อัลลอฮ์ ก, อ ก, อก็เตือนอย่าลืมหนะ้านอัลลอฮ์สร้างชานฟ้าแผ่นดินนะครับนี่สร้างกลางวันกลางคืนนี่สร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ใช่ไหมให้นึก ไม่จะเกิดมาเองเราต้องนึกโอ้เนี่นี่มาสร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยเราน่ยคนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกแต่ดวงอาทิตย์ยังอยู่ดวงจันทร์ยังอยู่กลางวันยังอยู่กลางคืนยังอยู่มีกลางวันกลางคืนเนี่ยทําให้เรานับเวลาได้นักวิทยาศาสตร์โอลมาอาเลมอลมาเนี่ยก็สอนพอมีกลางวันกลางคืนปั๊บนี่ทําให้เรานับใช่ไหมล่ะ เดือนปีสัปดาห์อย่างนิสูซาบานเนี่ยที่ผ่านมานี่ยังมาเทียงอยู่นั่นแหละทําอะไรบ้างในนสูซาบาในเดือนชาบานนะครับให้ถือสินอดให้เยอะสุนนัขนาบีมันก็จบแค่นั้นน่ะแตนี้ในคืนนิสูซาบานเนี่ยอัลลอฮฺจะจ้องมจ้องมองมาที่อะไรนะมาที่เบาวของพระองค์ อัลละฮฺจะพยาโทษให้ยกเว้นคนสองกลุ่มกลุ่มที่ทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองอ้าวทำไมอัลลอภฺยาโทษให้กับคนที่ทำชิริลกต่ออัลลอสองกลุ่มนี้อัลลอไม่ยกคนที่บูชาจเจวิตอื่นจากอัลลอบูชาโตเตเกียเนี่ยบูชาอะไรก็ตามนอกจากอัลลเนี่ยนะอัลลอฮไม่ยก ไม่มองหน้าด้วยแล้วก็ไม่พิจารณาไม่ให้คะแนนด้วยไม่อภัยโทษให้กับคนที่ทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองทะเลาะกับพ่อตัวเองทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองถ้าไม่ยอมคืนดีกันในคืนในสุชาบานี่ยผลบุญไม่ได้เลยนี่พอเราฟังสนานแล้วก็สบายใจนะอภัยโทษเลยแล้วอะไรเราไม่แตะตรงนั้นพรมันผ่านมาแล้วทต่นี้ยังมีอีกหลายวันเนี่ยโดยชาบานี่ยคนที่บุตรทั้งหมดเนี่ย ถือได้ไหมได้อย่าถือกระทั่งหมดเดือนซาบานเะยอย่าเว้นบ้างให้รู้ว่าเขเดือนซาบานนะใครที่ถือบวชที่ขาดอยู่ก็ช้าได้นะยังมีเวลาอยู่นะอะไรก็คื้นลขึ้นมาทหารยุดด้วยนะรองกรุณเยอะอ่านกรุณาเยอะๆ่เๆาจาะจงสายยาซีนไปเจาะจงเนี่ยใครสอนให้เจาะจงอ่ะไม่นีถ้าจาก จากกุรอานจากนบีจริงๆเนี่ยอ่านโซโลตไหนก็ได้ที่เราอ่านแล้วมันอีหมาเราเพิ่มเน่เข้าใจความหมายอ่านโซโลนั้นนะนั่นเดต่อมาครับวามินอายติฮิไลลุวันนะฮ์และส่วนหนึ่งแห่งสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ของพระองค์คือกลางคืนและกลางวัน ว่ชัมสุวัลกามัดและดวงตะวันและดวงเดือนก็เป็นสัญญาหนึ่งของ a อ l a h Allah สร้างาเราเรียนแล้วใช่ไหมสร้างอะไรคือสร่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กี่วันเช่มเรียนแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนะนมีสองวันใช่ไ่ะแล้วก็สร้างอาหารกี่วันสวันยัดต้องหลบต้องต้องนึกโอ้ สร้างอาหารน่วันสร้างมนุษย์หลังนมานอัสรีน้ำมานวันศุกร์ใช่ไหมประมาณสองสามชัว่วโมงสร้างมนุษย์วันศุกร์หลังนมานอัสรีแล้วก็สร้างอาหารให้มนุษย์น่ีวันมนุษย์ยังกลัวเลยนะพ่อจะพูดดีมันคูครูยังจะมีลูกเยอะนะอะไรวันนี้เป็นไงอะ่ะหลายคนนี่เสียใจลูกน้อยอะ่ะแก่ก็แก่แล้วควรจะทํางานแทนเราก็ไม่มี อย่างนี้เป็นต้นนังท่านเดินตามอัลลอฮ์ให้หมดอัลลอฮ์ก็จะประทานรางวาัลให้อย่าสุเพราะคนที่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็สังงามนะครับต่อมาครับละตัสยูดูลิชัมซีละตัสยูดูไม่ว่ายากราบอ่ามุตะกี้เรากราบใช่ไหมสุยูดนี่นะเพราะอ่านไปถึงอะ ไ, ไ้นะยาลายัสอาโมนเนี่ยนั่กันให้เต่สุยูดครั้เดียวพอแล้วน ะ, ะครับ ลาตัดจุดูท่านทั้งหลายอยากราบอยากราบอะไรฤิชัมสิอยากราบดวงตะวันวาลาลันละฤกษ์กามาแล้วก็อยากราบดวงเดือนเห็นไหมพูดชัดไหมชัดอยากราบแสดงว่าคนที่กราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีหรือไม่มีมีครับบรรลุในเมืองไทยนี่ก็มีใช่ไหม <c oughs> กราบดวงอาทิตย์ กลับยงจานมีไมมีคนอย่างนี้เป็นมุสลิมบปล่าไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยต้องยืยนหยัดในอัลลอฮ์เนี่ยนยึดยึดอัลลอฮ์ให้แน่นนะครับอย่ากลารเราไม่กล่าบสิ่งไก่เท่นั้นแหละนะคบตบงต้นไม้โอ้เราไม่กลาบนะครับดวงอาทิตย์เราก็ไม่กลาเพราะอัลลอฮ์สั่งในคร์อัลกุรอานในสุร อ, อะไรเนี่ยฟุตลัอายาตีสามิ น, นี่อัตอมาครับว t ส o u ดู และจงกราบอัลลอ์สบายใจไว้ไปคำสางลินาะอแนอามเดี๋ยววัดยูดูจงกราบลิลฮี่อัลล์ปัญาเองก็ได้องค์เดียวเท่านั้นอ่าจงกราบอัลลอ์องค์เดียวองค์ไหนครับอั ล, ล, อลกอฮ์นนะ Allah. ผู้ทรงสร้างสร้างอะไรสร้างชันฟ้าแผ่นดิน ร้าดวงจันทร์ดวงเดือนสร้างกลางวาันสร้างสร้างองค์นั้นอ่าประกาบองค์นั้นอย่างนี้ทุกตัตสวสบายใจไหมตะกรานี่สอนยากหรือ ง, ง่ายง่ายไม่เห็นอ่ะอยากราดวงอาทิตย์ยากราบดวงจันทร์แต่จงกราบอล l l a h ไอกราบนี่ต้องนึกเองไม่ได้เลยนะต้องดูรูปแบบนบีบนนบีนะกราบยังไงกราบถูกค้ามต้องหันหน้าไปทางทางอิมรัด ถ้ามีน้ำน้ำมาตื้น้น้ำมาเาต้องเก็บเอาไว้ตอลอดเวลาจะได้ประยุท์ตอลอลห่างกันเป็นต้นนะครับอัลลอฮฺคอลอกก่หุ้นนะผู้ทรงสร้างมันทั้งหลายมาถึงสร้างหุ่นหน้าเนี่ยมาถึงชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อ่าหลายหลายหลายหลายหลายอย่างแต่เล่าให้ฟังเพียงสี่ายกาย อิงกุลตุม้มียาหุตาบุดูียาหุเนี่ยเฉพาะพระองค์ียากนาบูดูที่เราอ่านกนมาในส่วนฟัติหาเลยละียากา้นี่ในียาหุเฉพาะพระองค์เท่านั้ น, อ, อ, น, นอิงกุลตุมข้าพระองค์เท่านั้นที่สูงเจ้าเคารพควาดี ถ้าคุณเคารพอัลลอฮ์องเดียวอย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่าไปกราบจะไม่ให้กราบใครให้กราบอัลลอฮ์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดนี่เปิดใจยังเปิดใจแล้วแล้วก็พูดง่ายแล้วพูดยากพูดง่ายแล้วทำลุลแล้วอัตมาอาจารย์ที่38ฟาอินิสตะกบารูฟาลล์ดนัยนดารับบิก س َ ب ِّ حون له بالليل والنهار وهم لا ي س أ م ُ و ن الحمد لله يعني ด ي م ากครับ ف إ استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له บิลไลลิวันนาฮาร์วะฮุมลาอัลยัซอัมยุนยัซอมเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเราเนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มาลาอิกาเนี่ยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย มาลิก้ากับเราเนี่ยไม่เหมือนกันเราสร้างมาไม่เหมือนกันมาลิก้าเนี่ยสูญยูดต่อละข้างบนนี่บนชั้นฟ้าเนี่ยมาลิก้าเต็มไปหมดเลยนะไทยเห็นนะเนี่ยเราไม่เห็นแต่เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนมาลิก้าในท่ายืนมีไหมยี่มีในท่ารุกัวมีท่าสูญญูดมีมาลิก้าเต็มไปหมดเลยบนชั้นฟ้าไม่มีที่ว่างเลยแต่เรามองไม่เห็น น บ, บีพูดว่าแม้จะสี่นิ้วก็ไม่มีที่ว่าถ้าเป็นเตียงนะคนนั่งอยู่บนเตียงคนคนหนักๆอ้วนๆน่ยมันดังเอียดเอียดชันฟา้าอยู่เหมือนกันดังเอียดเอียดพ่อมาลายกาอยู่เต็มท้องฟา้าหมดเลยพวกเหล่านี้เนี่ยสารเสริญนะครับละบัลบลายสอัมุนเขาไม่เหนื่อยแต่เรานี่เหนื่อยอธิบายอย่างนี้ คือมนุษย์เนี่ยที่อีหมานต่อรอดเนี่ยดูขึ้นนมาตะหันยุ่เหนื่อยไหมเหนื่อยเดินมามัสยิดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถือบววเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยหมดแต่มลายก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนี่ล่ะมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอเรานี่ทําความดีเหนื่อยมีรางวัลแต่มลายก้าเนี่ยไม่เหนื่อยไม่มีรางวัลอ่าเพราะเป็นหน้าที่ ต้องทำอยู่แล้วแต่นี้มาลาอิกาเนี่ยไม่เหนื่อยนี่กุรานเล่าเองเยอะมากอายาที่38ใช่ไหมว่าฮุมลายัสอโมลและพวกเขาไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยอามาดูสับฟาอินิสตักบารูถ้าหากพวกเขาอิสตักบาติแปลว่าโอหังหรืออวดดี อธิบายยังไงคือฟังศาสนาแล้วฉันไม่เอาศาสนาอิสลามเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์เป็นงานดีใช่ไหมงานดาวางงานดีไหมฉันไม่เอาฉันไม่เอาสอนลูกให้นามัสไม่ใช่หน้าที่ฉันอาตีมามสุรอาอ๋อพูดไดนัดหน่ะสอนน้กมียาคุมมอยากหน้าที่อิมามโนไม่ใช่หน้าที่ฉัน นี่จนะผิดหมดเลยนะฉะนั้นใครที่เย่อหยิ่งจ อ, หองหงหรืออวดดีไม่ยอมรับในอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ไม่ห่วงคนเลยเขาจะมีศาสนาไม่มีศาสนาไม่เคยหวย่วงญาติคือน้องตัวเองลูกจะละมาหรือไม่ละมาฉันไม่สนเพราะมีอิหมามประจำสุเ่าอยู่แล้วอยู่ในตนรับผิดชอบที่อิหมามเนี่ยคนนี้ผู้ชายคนนี้พูดผิดนะ อีมงางก็รับผิดชอบอยู่แล้วส่วนรวมแต่เราเป็นเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวแต่ผู้จาดีดีบวนบีสากควนบีมีครอบครัวเปล่ามีนบีเคยตกหน้าภรรยาไหมไม่เคยเคยด่าภรรยาไหมไม่เคยเคยด่าลูกไหมไม่เคยนบีจะเตือนนะถือบวนบปาเอา้ามีอาหารกินไหมถามภรรยาบอกมันมีท่านขอบวนน่นขอนน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็บางทีนบีนามานา น, นานสุูญนานพระญานนี่ว่าไม่ได้ตายอ่ะจะอยู่ตั้งหลายชั่วโมงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะมันในเรื่องในบ้านหมดเลยพระรูปแบบในบ้านเราเนี่ยของท่านนาบีนะมาชาในบ้านเราด้วยนะครับอ่ะทีนี้คนที่โอหังอวดดีมายืนหยัดในหอรอองเดียวถามว่าลอกขาดทุนไหมไม่ขาดทุนคนที่ขาดทุนใครเราเอง่อะ ทีนี้ถ้าหาพวกเขาเนี่ยเมินห่างจากการด่าวต่ตบเบกของท่านนาบีนบีสอนแล้วแต่ไม่เอากันแอนตี้กันใช่ไหมแต่ตัวตัเองก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยเนี่ยเป็นยังไงครับฟันลาวีนอินดารอบบิกอินดารอบบิกผู้ที่อยู่ใกล้พอผู้อาภิบาลของท่านมาถึงบะไรกัน ในตำเสดหลายเล่ม อ, อธิบายว่าผู้ที่อยู่ใกล้อัลลอฮ์คือมาลาิกาอยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยมาลาิกาเนี่าานยทำอะไรครับอยู่ซับเบียหูนาลาอูแซ่ซ้อมสุดดีมนุษย์ไม่เอาใครขาดทุนมนุษย์ขาดทุนมนุษย์ไม่เอาเนี่อัลลอฮ์เล่า เ, าเองนะถ้ามนุษย์ไม่เอาอิสลามมนุษย์ ไม่สนใจสุนนะนบีทรงนบีมากับด่านาบีด่าสุนนนบีบรรดานาบีที่มาก่อนหน้านาบีอุมาหมายก็ถูกตำหนิถูกดา่าใช่ไหมคนที่ด่านาบีไม่เอาอัลลอฮ์คนนั้นขาดทุนอลัลลอฮ์ใหญ่ยายเหมือนเดิมแล้วลอก็เล่าบอกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ ก, ก, กับผู้อาบิบาลของท่านก็คือบรรดามลายิกา บุคคลเหล่านี้ยุซสบายหูนะพวกเขาแส้ง้องสดุดดีลราต่ออัลลอบินไลลีทั้งกลางคืนวันนะฮและกลางวันล่าไฟังเลยซาดัต บ, บุญชานฟ้าเนี่ยทำกลางวันกลางคืนมีมาลาัยกาเต็มไปหมดสดุดดีต่อเราสรรเสริญต่อเราบางพดีอธิบายอยู่ในท่าสุญูดนี้ ถ่ารูปกลัวมีถ่ายืนดีเต็มไปหมดเลยครับมนุษย์อลัลลอฮ์ไม่แข่งแต่เล่าให้ฟังใครที่อัลลอฮ์อัอลลอฮ์ปลอดไทยคุณปลอดไทยในโลกอาคือแต่ดุนยายนเนี่ยคุณอยู่สบายนะยิ่งห่าง อ, าอัลลอฮ์เท่าไรเนี่ยยิ่งเพลินยิ่งอร่อยใช้ชีวิตอร่อยมากเลยยิ่งห่างอาลัลลอฮ์นี่นะยิ่งอร่อยยิ่งเพลินทําอะไรก็ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับว่าอุมลายสมุนและพวกเขาไม่เหนื่อยนี่เล่าให้ฟังว่ามาลัยกะไม่เหนื่อยในการเนี่ยดูแลบริหารกิจการแทนอลัลลอฮ์อยู่เี่นะไม่เหนื่อยครับสูยุตธก็ไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยเพราะเราเหนื่อยพักมีผ ล, ลบุญโดยบรรด า, าทิมอสยดดเหนื่อยไหมเหนื่อย ลุกขึ้นน่ะมาตระหุยุทธไปแปลงฟันเหนื่อยไหมเหนื่อยออกจะห้องน้ํายิ่งเป็นเก้าด้วยอย่างเงี้ยต้องระวังโรคโน้นโรคนี้ต้องใส่มงใส่แม่เหนื่อยทั้งหมดไอเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มหาศาลเลยครับเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่เห็นครับความตายมาถึงก็หอยมาเลยไออัลลอฮ์นี่รางวัลหมดเลยนะเนี่ย เห็นชีวิตนอนอยู well ่ในกุโบมีรางวัลตอบแทนอัลลอฮ์ให้เห็นหลังตายหมดเลยนะคนที่ทําความดีอยู่บนโลกดุยาเบนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเขาจะเห็นรางวัลของเขาหลังตายแล้วก็ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาครับอายะที่สามสิบแว่มินอายะที่อันนักเตรออัลอาลัคฮาสีห์ ว่า ا ิจาลณซาลนาอาไลฮ์ฮัลมาอิฮ์ตา ا ซัตวารับต์อินนั่ล و ิอัลฮิยาฮ์ลามูฮิลม ل ฮูม์ความรู้หมดเลย ไม่ให้เราทนงตนไม่ให้ย <voir> oh ิงว่ามิ่อ่ะอ่ะอ่อันนักตรอลอาร์ดข้ชิงเฟ่เอเดออันซันอัลมาอิฮวารบ อินนั่ลที่อ حيا เขาล้มพิลมรณะอินนั่เขาอะล่ะทุกสิ่งติดอัลฮัมดุลิลลาห์ดูสักครับว่ามีอ้ายที่อันนี้ก็ผ่านมาแล้วอ้ายที่แล้วใช่ไหมแปลว่าสัญญาณส่วนหนึ่ง แผ่งสัญญาณทั้งหลายของพระองค์อาญาติฮีฮีมาถึงอลลอฮฺอาอาินอันนกะนี่บอกกับานาบีนะนบีนาเห็นเห็นปเห็นเห็นอะไรครับตาอล อ, อาลอบะเห็นแผ่นดินเห็นแผ่นดินเห็นดินเนี่ยเดี๋ยวเราเดินอยู่นี่นบีเห็นไหมเห็นที่มาการ์แต่ไม่เคยมาประเทศไทย แล้วก็อักเสบท้ายกันไปเป็นดินด้วยแล้วก็ดินกันไปสองอย่างหนึ่งดินแข็งกับดินเหนียวแล้วก็ดินเปียกมีสามใช่ไห้ฮนะร้อลร่าจะกับมีกราบหมดเลยครับคอเชียตันแผ่นดินที่แห้งกลังคอชียตเนี่ยเดิมไม่ไปว่าคูชัวคูชัวนี่แปลว่าอย่างคนนมาคูชัวนี่นมาดยใจที่ไรนะนอ บ, น, อบน้อมทำตนถ้ามาใส่อายานี้ ไม่ใช่แพ้ว่าขุชัวแล้วแปลว่าอะไรนะแห้งกลังไม่มีต้นไม้ขึน้นเรียกว่าคอชิอาน บ, บีเห็นไหมแผ่นดินที่แห้งกลังที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นแล้วก็ต่อมาเด็นไงครับไปอีดะอันรัลนาอะไลฮัลมาอนันาเราได้ประทานอไลฮ์ลบนดินอัลมาแปลว่านาม้ม เมื่อเราได้ประทานหรือว่าลังน้ำลงมาบนแผ่นดินอิทัสจัอะเอล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงด้วยดินนั้นเวลามันถูกน้ำเนี่ยอะไรเลยมันชุ่มอ่าอิทัแว่ามันเคล้าด้วยน้ำเนี่ยทำให้น้ำทำให้แผ่นดินมีปฏิกิริยาใช่ไหมวารบัดแล้วก็ สุยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอิทัสทัสผสมกับ JD, pues hm am, metros, cool น้ําวารบัตแสระบมีต้นไม้ขึ้นสังเกตปะนี่ไงพออ่านคุณอ่านแลได้ความรู้อรรถทันดินหน้าบ้านเราเนี่ยติดดินอยู่ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเนี่ยแห้งพอฝนตกลงมาเรือเราเอาน้าสานลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นต้นไม้ขึ้น ตนโน่นตนนี้คือมีความสามารถของอลรรค์อรรรค์เ ล, ล่าให้ฟังในกระเพ อ, อานดันั้นอย่าลืมฉันอย่า ก, กลับต้นไม้อย่ากลับดวงอาทิตย์อย่ากลับดวงจันทร์กลับลอรรรค์โน่นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเมื่อฝนตกลงมาจากฉันฝ่ามาถูกแผ่นดินอิทัสท์แผ่นดินเมื่อถูกน้ำฝนเนี่ยมเมื่อคล้าบนน้ำฝนวารบันนันก็จะเจริญองอกงามอะไรขึ้นต้นไม้เอาต่อมาครับ อินัลดีนี่ยเราสอนบ อ, อกแท้จริงผู้ที่อัจฉริยะให้มีชีวิตอตัจฉริยะแปลว่าให้มีชีวิตละมว้วนหิ้เมาตาผู้คนที่ตายเมาตาคนที่ตายให้มีชีวิตก็คนเดียวกันอัลลอฮ์องเดียวกันองค์ที่ให้แผ่นดินที่แห้งกรัง คนตกลงมาให้มีต้นไม้เกิดขึ้นกับคนที่ตายอยู่ในกูโบมีอยอวันหนึ่งอรรถจะให้ฟื้นขึ้นมาองค์เดียวกันสบายใจไมไม่ใช่มีสองององให้แผ่นดินชุ่มชื้นอรรถคนที่นอนอยู่ในกูโบแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาในวันเกีย่ยมานี่เดินทางกี่ด้านาะบนตาต้องฟื้นนะ องเดียวกันไม่ใช่สององสบายใจไหมอัลลอฮฺอักบรนี่ไงพออ่านคุรานแล้วส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอากีิดะนะเรื่องอะไรนะมียึดอัลลอ์ให้แน่นได้ไหมอินัลลดีนากลูรบุญอัลลอฮซุมมสตักอุมูพอคุรานเตือนเราให้ยึดอัลลอ์ให้แน่นนะครับ <c oughs> อะตมะอินนาอะลาคุลลชัย ก็ดีอินนาอูแท้จิงอัลลอฮฺอาลาคุลดิชัยเนือทุกสิ่งกอดีรุนมีความสามารถหรือมีอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกลออัลลอใหญ่แต่เป็นูเทียวนี่เตือนไปเตือนมาเตือนแล้วเตือนอีกให้คนอ่านกรอ่านได้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮุบฮานาอัลลอฮอัลกตลละห อัลลอ์มีความสามารถนะคาจริงๆอ่ะให้ฝนตกลงมาแผ่นดินที่แห้งแล้งคนตายอยู่ในกูโบก็เหมือนกันเวลาจะให้ฟื้นเนี่ยในฮะดิษอธิบายอย่างนี้อัลลอ์ให้ฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยทั้งฝนเนี่ยไปถูก็แล้วไอ้เนี่ยก้นกบก้นกบมนุษย์เนี่ยคือ บรรดานาบีเนี่ยศพนบีไม่เนา่นานบีทั้งหมดที่ทอยู่บนโลกใบ น, นี้ที่นอนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะศพนบีไม่เนา่าแผ่นดินไม่กินแต่ศพพวกเราเนี่กินหมดทีนี้แต่เหลืออยู่นิดนึงเขาเรียกว่า ก, ก้นกบเมื่อวันเกลียมมาเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยเมื่อก้นกบเนี่ถูกน้ำปัามเนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแบบสมบูรณ์เลยคอยรอดูไปแล้วกันเรื่องจริงกับ ไม่ใช่เริ่มโกหกนี้เล่าให้ฟังผ่านนบีให้นบีมาสอนห้ามโุยแลต่อมากับอายัที่สี่เสร็จอินนัลลัฎนายุลฮิลูนาฟีอายยตินาลายัฟฟาวนาอนลายัฟฟาวนาอลเลนา أ َ ف َ م َ ن ي ُ الْقَافِنَارُ خَيْرٌ أ َ م ْ ن ي َّ ة ِ م ِ ن ً ا م َ ن ي َ ت ِ أ م ِ ن ً ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إ ِ ع ْ م َ ا د مَا ش ِ ت ُّ ن َّ ه ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا ل ح م د ل ل ه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يلقا في النار خير أم ن د ي أم ا يديم ن ا أما يأتي من يوم القيامة يعمل ما شئت إنه بما تعملون بصير d u l i l l ل h มีคำยุคคำหนึ่งยุลฮิดูยุลฮิดูแปลว่าบิดเบือน ยุลงไรดูลแปลว่าบิดเบือนคือบิดเบือนอย่างนี้ <c oughs> นแสดงตัวเป็นมุสลิมพูดว่าฉันเป็นมุสลิมแต่แต่แตกรุรอานแต่เอากุรอานบางอายะเนี่ยมาบิดเบือนอมีไหมมีอย่างนักมารเนี่ย ให้ขูชั่วมีไหมนบีสามใช่ไหมพ้นนบีทําเป็นแบบไั้ไหมนามาของนบีเนี่ยขูชั่วไหมขูชั่วแต่บางคนเนี่ยนามาดเหมือนกันแต่ไม่ขูชั่วมีไหมมีมีคนส่งคลิปผมไม่รู้ว่าประเทศไหนเข <laughs> วันนี้ทําอะไร <laughs> ไม่มีขูชั่วเลยนามาดปุ๊บปุ๊บ ป, ป, ป, ปุอันฟาติฮานีหายใจวากเดียวอ รอรู้กูว่าสูนไม่มีครูช่วยเลยอย่างนี้เนี่ยประกาศว่าเป็นมุสลิมอิสลามฉันถืออัลลอฮ์ถือรอซูนแต่ว่าเวลาภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ตรงกับที่ท่านนาบีให้รูปแบบไว้ไม่ตรงกับอัลกุรอานเลยอย่างเงี้ยเนี่ยขับคานี้อินนัลลีนายุลไฮรุนแท้จริงผู้ที่บิดเบือน ออกจากความจริงบินเบือนออกจากความจริงฟิอาญาตินะเกี่ยวกับองค์การทั้งหลายของเราเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่แหละเราต้องการจะอธิบายว่าอย่าไปอัลกุรอานเองอต้องอาศัยนักตับซีดต้องอาศัยผู้รู้ตับซีดวิชาตับซีกุรอานต้องอาศัยเขาด้วยแล้วก็ต้องอาศัยสัฮาบะด้วย สบาควาอธิบายยังไงใช่ไหมสบายใจอย่างนี้อย่างอาลัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอ่ะทะเลาะกันอ่ะอลัลลอฮ์อยู่บนชานฟ้าพระจบอยู่ยังไงเข้าห้ามอธิบายอาลัอลอลอฮ์ลงมาทีชานฟ้าแห่งโลกดุงยาตอนกลางคืนลงมายังไงมุญจัสมาว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะ่ะเรามีหน้าที่ ว่าอัลลอฮฺอยู่บนชานฟาอยู่ยังไงไม่รู้บาลังอัลลอฮฺเป็นยังไงไม่รู้เขาห้ามอธิบายก็นดันมาอธิบายบอกอธิบายก็ทะลอ ก, กันสิทำไมอธิบายดีไหมอัลลอฮฺอัลลออยู่ยังไงไม่รู้จบข้ออธิบายภาพอัลลอก็เทียมนั่นเถเทียมนั่นแล้วก็ไม่จบผววนั่นผวกนี้ผวกนี้ผวกนั่น น, น, น, น, นี่ถ้าไม่อธิบายจบไหม จบอยู่ยังไงอลอฮฺอยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบัลลางอยู่ยังไงรู้ไหมไม่รู้ครับอลอฮลงมาตอนเมื่คืนมารับดวงวันตีสามตีสี่ 3, ง 4. ลงมายังไงไม่รู้ไม่ต้องไปอธิบายยินกระจบทีไหมเดินตามกุณอ่านเดินตามนาบีเดินตามสุฮ า, าบะฮฺนบีก็จบอันนี้เป็นต้นแต่ที่คนที่บินเบือนเกี่ยวกับ องค์การงก็จว่าอลัลลอ์รู้ไหม mm. ลายฟาวนานยากฟาไปว่าซ่อนเร้นที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ซ่อนไม่ได้เล่นไปจากอลัลลอฮ์เลยอลัลลอ์รู้หมด mm. ยังไม่แฉยังไม่แฉไปแฉตอนตายมังะอ ย, ะย่างฟาโรห์ไหมอัลลอฮ์อลัออลลอ์ให้ให้เห็นตอนตายเท่านั้นแหละ แค่เห็นมาลาอิกามานี่อายอาฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์นีจริงนบีมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงใครรู้ตอนตายมีประโยชน์บ้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแค่นั้นก่อตายอ่าเรียนศาสน า, สาเรียนจกักรูปอ่านอย่าไปคิดเองนะรเรียนจักรูปอ่านต่อมาก็อกาฟไมายุลกฟินานารนี่อัลลอฮ์ถาม <c oughs> ผู้ที่ถูกโยนยุลโกไปลว่าถูกโยนฟินนารลงในนรกผู้ที่ถูกโยนลงในนรกคอยรุ่นดีกว่าคอยรุ่นจะว่าดีกว่าอัมมัยะตีอาไมนันยามัลติยามะหรือผู้ที่มา อย่างปลอดภัยในวันเกี่ยมาหลังจากฟื้นคืนชีพจากกุโบคือคนไปมีมุสองคนทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถูกโยนโลงในนรกหลังจากฟื้นขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งยืนไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แบบสมางามถามถาว่าสองกลุ่มนี้ใครดีกว่ากันเนี่ยอัละลอฮ์เล่าให้ฟังให้ใช้ปัญญากลุ่มหนึ่งไปหาอัลลอฮ์อิทุกมาซัดมีมลัยกาพาไป คนกระสุมีมลัยก้าพาไปทาเสลัดไว้ถูกตัดสินโยนในนรกถามว่าคนที่ถูกโยนลงนรกกับคนที่อยู่แบบสง่างามรอเข้าสวรรค์กลุ่มไหนดีกว่ากันตอบเองได้ใช่ไหมะฉะนั้นคนที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเอง อย่าเอาอารมณ์ใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮฺอย่าเอาอารมณ์ตัวเองใหญ่กว่าคําสั่งของท่านนาบีเราต้องอยู่ใต้คอนโทรลของอัลลอฮฺทั้งหมดนบีทําอย่างนี้พยายามศึกษาให้รู้แล้วก็เดินตามนาบีสบายใจอะลฮัมดูลิละแต่เรื่องดุลยานี่อัลลอฮฺให้คิดเองถางผู้โบถางยังไงไม่ใ ย, ยาเกิเดคิดเองเราต้องอาศัยนบีเพราะนบีไม่ได้สอนเรื่องนี้ จะนมาอย่างไงให้ผู้ช่วยอ่าน เ, นเดินตามนาบีถามยาโูโบยังไงอย่างนงี้คิดเองอาถามยาิูดีก็ได้ถามคริสเตียนก็ได้ถามจีนก็ได้แต่เรื่องศาสนาต้องถามใครถามนาบีคนเดียวปลอดภัยไหมเรามีทางออกสาหรับชีวิตฉะนั้นคนที่จะถูกโยนลงไปนรกกับคนที่ไปหาอัลลอฮ์แบบไรนะแบบปลอดภัยเนี่ย กุมไหนจะดีกว่ากันอต่อมาครับเรื่องเรื่องที่สามอยามาลูมาชิตุมแปลว่าอะไรจมทาที่พวกท่านประสงค์ไอ้นี่ไม่ใช่สั่งให้ทาชั่วนะยามาลูมาชิตุมคืออัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วทาอย่างนี้เรีย ก, กว่าสุนนะทาอย่างนี้เรีย ก, กว่าปีนาะฉะนั้น เมื่อเรียนแล้วเนี่ยให้เลือกปฏิบัติจะเอาสุนนัขตามบินาเชิญตามสบายเดินเห็นยัยงครับประดับังคับฉะนั้นนบีไม่เคยบังคับใครให้เดินตามฉันนะไม่ได้บังคับแต่เล่าให้ฟังถ้าเดินตามนาบีเองได้ไปสวรรค์ถ้าฝ่าฝืนคําสั่งของฉันเองไปนรกอุบายในมามายมามอิอามาดูมาชีต้ตรงจงปฏิบัติ จงทำงานสิ่งที่คุณประสงค์เถอะหลังจากคุณเรียนรู้แล้วนะว่าสนาณบีอย่างนี้บินอาอย่างนี้เมื่อเรียนรู้แล้วเลือกปฏิบัติตามใจรางวัอลอัลลอฮฺสัญญาแล้วใช่ไหมอันนี้ไปในโลกอันนี้ไปสวรรค์ขนะเข้าใจไหมห้ามโดนที่กูนัดเตือนไม่ได้บังคับด้วยอย่าไม่รูมาชีตุ้มมีปัญญาแล้วใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมชายปัญญา มีสุนา้นานบีให้ดูแล้วมีซาบานาบีเป็นแบบอยา่างถ้ามันไม่เอารูปแบบซาบานมาใชาอ่อ่ะยางนี้เป็นต้นบต่อมาครับอินน้าฮบมาตะลูนบบซรีบัรแปล ว, ว่าทรงเห็นตามาดูนที่ท่านหลายปฏิบัติแท้จริงอัลลอ์เนี่ยทรงเห็นคำว่าวเห็นนี่เห็นว้วตาหรือเปล่ า, ว, า, าว่าเราไม่รู้ง อารมณีตาไหมตามีตายังไงไม่รู้มันต้องไปอธิบายอย่างนี้ตัวะนั้นมาทะเลาะกันเรื่องตาอัลลอฮฺทะเลาะกันเรื่องเอัลลอฮฺมีมือแบบมือแบบเราหรือเป่าเขาห้ามเถียงกันเขาห้ามอธิบายอัลลอฮฺมีมือก็มีมือก็มีมือแบบไหนรู้ไหมมัต้องอธิบายมันก็จบอ่ะอย่างนี้ตัทะเลาะกันพอทะเลาะกันโอ้โหก็แตกกันแตกแยกกันอะไรกัน เราไม่เอามีอัอลลอฮ์ทรงเห็นเห็นด้วยตาเปล่าคนละวัน เ, เราไม่รู้ตาอาลัลลอฮ์แบบไหนรู้ไหมไม่รู้เขาไม่ได้อธิบายเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเห็นเราอยู่ในห้องนา้าคนเดียวอลัลลอฮ์ก็เห็นนั่นชะตาอะไรอ่ะอยู่กับภรรยาอยู่ในห้องก็เห็นทั่วโลวกเห็นหมดเลยก็อะอธิบายยังไงอย่างี้เป็นต้นฉะนั้นไม่ต้องไปอธิบาย อ, าอัลลอฮ์ มีหูมีตามีมือมีทบาแบมนุษย์ปไม่เหมือนมนุษย์มันก็จบไงทํอย่างไรอย่างนี้ด้วยเอาต่อมากับยุลฮดูเนี่ภาษาอุ ด, ดูกอว่าละฮักเซมุนฮาริฟบิดเบือนออกจากความจริงอของจริงสุนนะนบีมีรูปแบบไว้ไม่เอาไปเลือกของที่ไม่ได้มาจากนาบี เลือกแบบปู่ย่าตายายที่ทำกันมาแทนดุสโวชาบานี่แหละเทียบมันไม่จบมาเหน็นกันกีกปีมาแล้วล่ะท่ารเดินตามนาบีจบไหมจบห้ัมเลยล่ะอย่างงี้ท่านอิบนับบาสอธิบายบอกว่าใชา่พวกซาณดิโกเนี่ยพวกนี้เนี่ยโช伊斯兰แต่ว่าไม่เอาซุน่านนาบีมาใชา้ โชว์อิสลามฉันเป็นมุสลิมแต่ว่าทิ้งสุนนะนบีรูปแบบนบีฉันแนวแต่นี่เป็นต้นนี่หละเขาเรียกว่าอินนัลลีนยุลฮดูนบีอายาตินานี่ยุลฮดูโดนโทษโทษหนักนะแต่อยู่บนดุนยานี่อัลลอฮนะ์ให้อยู่สบายไหมให้อยู่สบายเอาเลยเอาต่อมาอายาที่4ี่็ อินน um ั่ลลารีนากะฟารูบิริกละมัจจาฮุมว่าอินน ز ่หุล่ะคَทับุนอาซิَอ enfin ินน anyway ั่ลลารีนากะฟารูบิริกละมัจจาฮุม و อินนุลกิตาบอัน عزيز อัลลอฮฺ์ประเสริมากครับนี่เตือนเรื่องอุไรนิกริเนี่ยบินซิกเก็เนี่ยแปลว่าที่นี่แปลว่าคุรานอินนัลลาีนักาฟารุแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบิซิกริยิกรีเนี่ยเดิมแปลว่าข้อตักเตือน ก็มาถึงกุรานแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธข้อตักเตือนที่อยู่ในคำเพคกุรานสบายใจใช่ไหมกุรมามนไม่ใช่เป็นอัลซิมัตแขวนคองไม่ใช่ที่เราเห็นเห็นกันโยนเะขาใจผิดหมดเลยนะกุรานเพื่ออ่านแล้วก็หาความรู้นะครับหาคำแปลถ้าไม่รู้ให้ถาม ฉนั้นผู้ที่ปฏิเสธข้อตักเตือนหรือคําฟีอัลกุรอานเมื่อได้มีมาย่างพวกเขาแล้วละมาจาอุมเมื่อได้มีมายังพวกเขาแล้วอัลกุรอานอยู่ที่บ้านเขายังอยู่แล้วข้าแปลมียางเนี่ยซาอุดีก็ส่งมาให้จากร้านร้านเล่มใครจะขอไปสถานทูตขอเลยใช่ไหม เขาแฝงเขามีทําให้เข้าใจก็มาฟังตับซีดอจิละครับต้องอาศัยตับซีดด้วยนาะม่ใจะแปงอย่างเดียวแปงอย่างเดียวไม่เข้าใจในเจออวิกรู้เนี่ยง ง, งอะไรวะแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธข้อตักเตือนถ้าไม่อาศัยตับซีดไม่รู้ว่าข้อตักเตือนคืออะไรหมายถึงคําพีอัลกุรอานที่อยู่ในบ้านท่านนั่นแหละ พอเปิดไปก็จะเจออย่างนี้แล้วเราปฏิเสธนะข้อตักเตือนของกัมพีออลกุรานละมาจาอาฮุมเมื่อได้มาถึงพวกเขาแล้วไม่เอานาบีนำเอามาสอนแล้วแต่ไม่เอาปฏิเสธนบเนะีเอาอะไรนะเอาอะไรเอาเอาตัวยอ่อเป็นแบบอาซูนานาบีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้คนละพวกกับฉัน พูดได้ยังไงอ่ะไม่มีคณะเกาา่าคณะใหม่ไม่มีมียืนตามอัลลอฮ์ตามุราตตามสุนนบีจบโอใครจะพูดดีภาษาอังกฤษไรตระกี น, น่เี้พูดดีน่ะชีรไม่มีเกระือุราตไม่พูดดชีไม่มีท่านเดินตามอัลลอฮ์โดยสุจบอัลลอ์ว่าอย่างนี้นบี ท, ทาเป็นรูปแบบว่านั่นแหละ ถุกต้องที่สุดนั่นั่นไม่ใช่อย่างนี้เ็ต้นนะครับว่าอินนาหุลาคิตาบแท้จริงคำภีกุลาเนี่ยลาคิตาบุญเป็นคำภีที่อาซีรุนมีอำนาจยิ่งถ้าว่ามีอำนาจยิ่งก็ถึงเป็นหลักฐานเอาไปโต้แย้ง เอาไปลบลางไม่ได้คุณาอาเ น, นี่ลบล้างอย่างอื่นได้หมดแต่จะเอาคำภีอย่างอื่นมาลบล้างคุณอาได้ไหมไม่ได้ต้องยืนยันในกานรพีพากษาเขาเล่าให้ฟังเองนะครับอัตอมักับอะยะที่ี่42บสองลายะทิหิลบาติล من ب َ ي د ي د ي ه و من خلفه تزيل من حكم حميد لا يأتيه الباطل من ب َ ي َ ي د َ ي ه ولا من خلفه تزيل من حكم ي حميد อัลฮัมดุนีละมาดูสภาพเลยาติไม่ไม่คืบคลานเข้ามาไม่คืบคลานเข้ามาคือขับเวกุลานเนี่ย ไม่มีอะไรมาทำลายได้พูดง่ายๆแต่กระช้สำนวนดีล่าหยาตีฮิลบาติลบาติลวกว่าความเทศความเทศทั้งข้างหน้าใบในยาด้วยวัดามินคอนฟิกและข้างหลังจะไม่คืบคานเข้าไปสู่อัลกุราอานเข้าใจนะเขาบกว่ากุรอานมาจากอัลลอฮฺ ไม่ใช่มาจากมนุษย์ฉะนั้นในคัมภีร์กรุรอานในเรื่องไม่ดีไม่มีนี่จะเรื่องดีหมดเลยสั่งให้ทำนั้นทำนั้นอย่าทำนี้อย่าทำอย่างนี้เป็นเรื่องถูกต้องหมดมาจากอลัลลอ์หมดเลยอลัลลอ์ก็เล่าว่าละยาตีฮิลบาติลมิมไบนียาไดฮิวามเวลาหนึ่งคนฟีความเท็จข้างหน้าก็ไม่มาข้างหลังก็ไม่มาสู่อัลกุรอานสะอาด บริสุทธิ์เพราะเป็นวาฮีแล้วก็ก่อที่จะประทานคุรานลงมาในเคลียร์ทั้งไฟอ่งเคลียร์แล้วนะเมื่อก่อนนี่ชัยตอนชอบขึ้น บ, บนันขบวนใช่ไหมอัลลอฮ์ เ, ลเคลียร์หมดเลยนะให้ทีอะไรนะให้อะไรที่พวกใต้ใช่ไหมนะนั่นนะไล่ชัยตอนนะตั้งแต่วันนั่นถึงวันเกียร์มาเลยนะชัยตอนขึ้นไปเฟ้นผ่านไปได้นี่รักษาคุรานรักษาวาฮีของอลัลลอฮ์ ให้กับนบีมุสล็อปนะเบสลังเนี่ยสบายใจเนี่ยลายาตฮิลบาบิลมินนียฮิวาลคอฟิความเท็จทางข้างหน้าและข้างหลังจะไม่คืบคลานเข้าไปอยู่ใ น, นกระบีคุณอ่านไม่ได้เลยต่อมาคกับตันดีเป็นการประทานลงมามินฮกีมจากผู้ทรงปรีชาญาผู้ทรงรอบรู้นี่แหละบูชาสำนวนหน่อยก็ ที่เรางงนะฮามีดผู้ได้รับการสรนเสริญอัลฮัมดุลิลละโบราณเนี่ยของอ AH. ัลลอฮ์คุณสมบัติอัลลอฮ์ก็คือผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฮามีดได้รับการสรนเสริญคนชมชมอัลลอฮ์ AH นะองค์เดียวทุกเวลาไม่มีย่างไม่มีวางสักหนึ่งนาทีขึ้นบนหมดเลยสุฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละ เพราะคนต้องนามาใช่ไหมทุกนาทีนะไม่ได้วเว้นเลยนะบ่าวอัลลอฮ์ที่อยู่บนโลกดุยาใบนี้นี่น่ะข้าเฝ้าอัลลอฮ์กันทุกทนาทีฉะนั้นได้รับการสรรเสริญยงยงอายะอายะสุดท้ายครับมายูกอลุลก์อิลลามากรดิลล์ลิรุซูลมินกับลิก إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مَا ي ق ا ل ُ لَكَ إلَّا مَا ق َ د ق ي ل ل ِ ل ر ُّ س ُ ل ِ مَا ق َ د ل ل ِ ل ر ُّ س ُ ل ِ مِنْ َ ب ل ِ อินนั้ร <All rire> ับบักละจุบมะฟิร์ห์ะจุอิกรบินอัลฮมอัลฮะมดุลลาฮยาสานีเล่าว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกรังแกยังไงแล้วก็นบีที่มาก่อนหน้านบีน่ะถูกรังแกแกถูกรังแกอย่างไรที่เล่าให้ฟังเตือน ที่ถูรังแกนะเอาอะไรมาสอนถึงได้ถูรังแกแล้ววันนี้ของที่นบีนำเอามาสอนก็ยังถูรังแกอยู่ใช่หรือไม่ใช่นบีเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมพันเศรอยีแต่สุนนะนบียังถูรังแกอยู่นี่เตือนมาอยู่ก็รูแล้วก็ไม่มีสิ่งใด คือไม่มีคำสอนของนบีอันใดอยู่กอรูถูกกล่าวหาไม่มีคำพูดของนบีคำใดที่ถูกกล่าวหาเพือพูดตำเนกนันอิลลามากอดตีล่ะนอกจาก ได้ถูกกล่าวหามาแล้วแก่บันดาวรศูลที่มาก่อนหน้านาบีสมมติเราดูกันนะเรื่องที่หนึ่งนบีมาสอนอิสลามเรื่องอัลลอฮ์องเดียวนบีอีซาก็มาสอนอัลลอฮ์องเดียวนบีมูซาก็สอนอัลลอฮ์องเดียวนบีนัวอิบรอฮิมสอนอัลลอฮ์องเดียวหมดถูกต่อต้านไหมถูกต่อต้านนาบีมุฮัมมัดก็ถูกต่อต้าแล้วก็ นบีมุ h a m ถูกรังแกถูกถูกถูรังแกทนทนหรือว่าโต้ตอบเลยไม่เคยโต้ตอบเลยสบัดอดทนยกตัวอย่างที่ไปเบิ้ต่ออีกถูกสามเรื่องใช่ไหมถูกด่าถูกไล่ถูกคว้าด้ยหินโต้ตอบ้างไม่โตตอบนบีที่มาก่อนหน้านบีมุ h a m ก็เหมือนกันถูกตำเนถูกด่าสอนเรื่องอะไรละอีละฮะอิลลัลลอ ก็ถูกด่าแล้ววันนี้ใครที่นามสุนนะนาบีมาช้าเนี่ยถูกทำใไ้บาปตรงตำแหนงนี้ครับนั่นอย่าเทอะวันนีนบียังถูกแล้วเราจะไม่ถูกเลยทําบ้างไม่ทาบ้างานี่ปรอบใจปอบใจนบีและปรอบใจคนอ่านคนอ่านด้วยฉะนั้นสุนนะนาบีเนี่ย ถ้านําเอาไปสอนเม่อที่เมียต้านะเมียตา้ตานอ่ะถ้าเมียไม่ตา้านก็ญาติพี่น้องเองอนี่แค่เปิดอบรมที่บ้านลองดูสิใครที่มีฐานะการเงินหน่อยเปิดอบรมที่บ้านเอาสุนามาสอนแค่นั้นแหละเองจะเป็นอะไรกันเนี่ยเห็นไหมมึงแยกวงแล้วละโอ้โหความจริงการสอนสาศาสนาเป็นเรื่องดี จำเป็นที่ทุกมัสยิด ต, ต้องสอนเรื่องกุนาเรื่องซุนนานะต้องสอนใช่ไหมเพเปิดสอนพับอ่านมีปัญหาแล้วมีเห็นยังรครับต้องอดทนไหมต้องอดทนต้องสบติมาอยู่ก็ลูล้ก็อิลลามากอดอลกิลลิรุสูลิมิงกับลิกไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีคำสอนใด ของท่านนบีม ahoma มดีครที่ถูกกล่าวที่ถูกตําหนินอกจากได้ถูกกล่าวได้ถูกตําหนิมาแล้วก่อนหน้านบีม a ม o m a ดรอซูลที่มาก่อนหน้านบีเอาอิสลามมาสอนสอนเรื่องอะไรครับเ ล, อลยอะไรนั่นหรถูกตําหนิไหมถูกตําหนิวันนี้ก็เหมือนกันพูดเรื่องเอาล้อเพียวๆไม่ได้ต้องผสม การเมืองบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พูดอัลลอฮฺเราต้องมีเศรษฐกิจด้วยนะต้องมีเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมมีนู่นมีนี่หลอกอะไรก็ว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นใครที่สอนอูฐอ่านเพียวๆสุนาน้าอับดเบียเพียวๆถูกตําหนิหมดเลยหน่อใจไหมอัลลอฮฺสั่งไม่ต้องเป็นหน่อใจมันเป็นสูตร อ่าเป็นสูตรก็ต้องถูกต่อต้านอย่างนี้ตลอดจนพอจะถึงวันเที่ย ม, มานั่นแหะถ้าเวลามีลูกเวลาเรียวสักนาต้องเตือนลูกนะอย่าท้อนะ <c oughs> แต่ต้องมารยาตองงานอ่ามารยาตองงานพูดจาดีให้อภัยคนยิ้มบ้างอะไรบ้างใช่ไหมจุกด่ามาทําไมได้ยินนั่นเองต่อมาว่าสด ท, ท้ายอินน่ารบบาเกิแท้จริงประผู้อภิบาลของชาติมาจึงอัลลอฮ์เนี่ย ล่าูไปว่าเป็นเจ้ามักฟิร้อแห่งการอภัยอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์อภัยนะเป็นเจ้าแห่งการอภัยฉันทำอะไรผิดต้องสารภาพผิดก่อนแล้วอย่าดันทุรังคนที่เคยทำบาปมาในอดีตมีเปล่ามีแล้ววันนี้มาสำนึกป่าอกุรอานในยานนี้อิน ารบบาบกาูมาเราแท้จริงผู้อธิบายของท่านเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการให้อภัยอ่อนอ่อมันอภัยเลยอัสลิมุลลอฮ์อัสลามุลลอฮ์ว่าเป็นรอยเป็นพันได้ไหมได้ว่าตอนไหนนี่ไงิดเดินเดินอยู่เนี่ยอัสลาุลลอฮ์อัสุลลอฮ์อัสุลลอฮ์ก็นึกด้วยออฉันเนี่ยไปรักมะม่วงพันนั้นไปรักนี่ เอาล้อใบดาคนนั้นไปนินทาคนนี้มันต้องนึกอะ่ะแล้วก็ขออภัยโทษต่อแล้วแล้วก็ที่ดีนะไปขอมาอาบกันทีบ้านด้วยเนี่ยสุนนะนบีสอนไว้อย่างนี้เอาต่อมาครับจูไอกอบินอาลีเป็นเจ้าแห่งการลงโทษไอโกอาลีมอันเจ็แสบต้องรว่าถ้าเตาบ้าตัวสารภาพผิดอัลลอฮฺอภัยโทษถ้าดันทุรังเปจอกัอไอโก การลงโทษแบบดแด บ, บ, บ, บเจ็บแสบ ด, ด้วยเห็นยังครับนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองฉะนั้นอัลลอฮ์มีสองสิบัตหนึ่งอภัยโทษก็มีผู้ชายอยู่คนข้าคนมาเท่าไหร่99บเาคนใช่แล้วก็ไปหาไปหาคนคนทำงานศาสนาแตพวกซลบาต น, นี่ยแต่ความรูไม้ไม่มีอ่ะเยอะที่พวกเราอ่ะเครา ความรู้ไม่มีถามว่าฉันไฆ่าคนมาแล้วเก้าเก้าคนจะกลับตัวได้ไหมไม่ได้ฆ่าคนเนี่ยตายไปนคนหนึ่งหนึ่งครบหนึ่งรอยคนแล้วก็ไปเครียดนะก็ไปหาอาลิมอโอลามาจะได้ไปเจอตัวจริงกั น, นไปเจออาลิมทนะี่ที่เราเจออาบิทเจอคนทำนา้มาันอย่างเดียวที่สุรา ได้ไปเจออาเลมก็ถามกับผมในข่าวคนเงนแล้วร้อยโกนตามมาตัวได้มาบอกได้แต่มีเงื่อนไขคุณต้องอบพยุ่มไปอยู่อีกเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยคนอาเลมเนี่ยฉะนั้นต้องอาศัยคนอาเลมด้วยนะคนมีความรู้เนี่ยอาศัยเรื่องาศาสนาเรื่องการแปลกอ่านกุดีเรื่องสุนนะนบีก็ดีต้องอาศัยอาเ ล, ลมโหรละกในการอธิบายโหรละว่าอัลลอฮ์เนี่ยรูมักฟิโรเป็นเจ้าแห่งการ อาภายัยถ้าคนนั้นสารภาพผิดต่ออรรถถ้าไม่สารภาพผิดต่ออลรถรัวไอ้กอบิน้นเป็นเจ้าแห่งการลงโทษก็คือดันทุรังทำความชั่วจุนกระทัง่งตาเองเจอแน่แต่คนทําความชั่วมีอยู่อย่างนึกอร่อยบนดุนยาต้องนึกนะั้นคนที่ทําความชั่วคนไม่เอาอรรถเนี่ยอรรถให้เพลินบนดุนยาจริงๆด้วย แราดูถูกคนมาโซ่เราด้วยดูถูกคนพวกงสารบาดด้วยดูถูกคนใส่หมวกด้วยดูถูกคนมีข่าวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็เบาไปเยอะโมรสอยกันเยอะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไอข้าแพ้ผมก็ถูกมาแล้ว <c oughs> แต่ไม่เคยรู้ใครเคยฟังเอาหมดเวลาิระเจ้าคุณ